อันตันตาตาตาเทวาเป็นปังดี จะทําให้มันเกิดอะไรขึ้นพอศีลคือปัญหาสุข จะคิดต่อไม่ใช่อ้อนวอนนะครับเพราะ สมมุติชื่อว่ากตปัญจาวิชชากรรมฐานเป็นวิชชากรรมฐานโดยไม่ต้องไปใช้เอ <c oughs> ไอ้เปตต่อแต่ว่าการต่อครั้งแรกไปสองจิตอยู่คือจิตในสติในสึกกาแล้วจิต ตัวรถเสร็จตัวมัวมิได้แรงครับมันก็ค่อยเป็นไป 14 จํา ที่ 4 ต่างว่าแต่ขึ้นเราเลยอืมไหนก็เป็น 14 ทางว่าอย่าให้ลืม <c oughs> หากแก่พอหลงภงค์เลยอะไรเป็นศิลปะต้องเป็นการวิจิวัฒัฒนาเวลาใดมันหลง แต่สิ่งที่มีชั่นเชิงดีก็คือความรู้สึกตัว เป็นการชอบที่สุดชอบแล้วเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับใครกับใครเมื่อเราอยู่ ไม่ใช่สอนให้รู้วิชากรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้พกเพ็นตัวเองให้เห็น ภรรยายให้รู้ไปตามอะเถบทหรือตาม เราเคยหายใจฟรีๆมานานแล้วเราเคยเคลื่อนไหวฟรีๆมามากแล้วบัดนี้เรา ฝังให้เราคิดต่อเฉยๆก็ยังรู้อ่ะอ่ากระเด็นเนี่ย แล้วมีเจตนาเข้าไปเสิร์ฟมีเจตนาเข้าไปเสิร์ฟนี้ไม่พลอยู่ในกรรมอยู่ให้กายให้ด้วยกันไม่เหลือ เอ่อโหรานท่านว่าจับปูใส่กระด้งจับๆยังมันเลยยากถึงกระทั่ง หลงกับความคิดไม่เป็นไรกลับ คงหลงกับ 6 7 วันผมหลวงไม่จะแพ้ นี่ไม่จะต่างกันไม่จะคงหลงเราก็จะรู้จากเลือกเราก็จะรู้จาก ดิเวทรู้จักเลือกเลือกเอาความรู้สึกเข้าขวาง มีอาการอะไรเสร็จหมดเยอะคริดโรต่างๆก็ธรรมดามันเป็นธรรมดาเพียงเท่านั้นเราจะทําอะไรก็มีปัญหาเราจะนอนมี ลำดับให้ถูกขั้นตอนบางทีอาการไม่ถูกขั้นตอนก็ต้องให้สบดนสบดนาดาจึงเรา ผงลอดขึ้นหัวมันจะร้อนฮูวๆ2 ครั้ง 3 ครั้งสูดสุบไปก่อนอืมสูดสุบไปแล้วมัน ต่ออาบน้ำไม่ เพิ่งต้องดูต้องระวังต้องอะไรไม่ใช่ผมๆน่ะแต่ถ้าเป็นบาปก็ ออกเข็ดออกได้นิดหน่อยไม่ถึงกับซึม <อ อก. S 1> ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดกล่าวปฏิบัติได้รู้ยิ่งเห็น <ม. S 1>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 แต่ว่ามันก็เดินได้การท่องจําแต่ว่าตามสุคมัฏฐาน เป็นความหลงเป็นความไม่หลงเป็นความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์ ต้องกระทำไม่ต้องใช้สบเชียงแต่เอากล้วยใส่หม้อหม้อโตใช้เพ็บใส่ไว้ สิ่งไกลนั้นก็หว่านเป็นกล้วยรสฝาดก็กลายเป็นกล้วยรสหวานกล้วยสีเขียวก็กลายเป็นกล้วยสีเหลืองให้แมกกรรมกรรมกรรมการกระทำกฎ เปลี่ยนเป็นแบบถูกต้องแล้วเปลี่ยนได้กลายเป็นดีเรียกว่าภาวนาอ่าวิชชาภาวนา ดับทุกข์โดยโดยเซนเจอร์สู่เป็นขั้นสุดท้ายความทุกข์เป็น ในชีวิตเนี่ยเราได้ให้โอกาสในอย่างเงินมาก ร่างกายแต่ทางได้ที่อยู่ตายได้ที่ ผมไล่ผมได้เหมือนเหมือนใจตัวเองที่มีที่ไม่มั่นใจตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่ไปนะ เป็นสมมุติเป็นกันชายเป็นกันอยู่ตามวาทานตามเหตุตามประจักษ์แต่เป็นนิรันดร์เป็นอมตะใครของเราเรายังให้จนเรื่องนี้จะให้อับอายเรื่องชีวิตที่ภักดีเป็นชีวิตที่พัดพ่านพัดเพลินมัน พร มันก็มันก็ที่เวรมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะอยู่ในสภาพนั้นมันจะ นว่าไปปฏิปทาของพระเลยนองนู่นดูว่าโยมแท้สมตะปืนนี่พระจะต้อง นวกรรมก็เป็นเรื่องที่น่ากระตือรือร้นมากที่ ไม่ต้องเองทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นชีวิตที่ใช้ครองมันพอ ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นลัทธิกาไม่เป็นเพศเป็นหวานไม่เป็นหนุ่มเป็น 40 ชีวิตเนี่ยเราทุกคน แต่ถ้าเราไม่กลัวหลงต่อมาเต็มตา <c oughs> ก็รู้ได้กันสิพอความรู้มันเกิดสันคมหลงก็หมดไปแม้มันไม่หมดมันเกิดขึ้นเองก็รู้อีกความหลงก็หมดไม่มีอะไรที่ ภาวะเห็นราวกับเป็นเป็นเป็นเป็นทุกข์เป็นหลงเป็นรูปเป็นทุกข์ไม่ต้องมาเลยสงสัยไม่มีคําถามใครเป็นสัจธรรมสัมผัสตามฐานะฐานะอย่า อ่ามูลกรรมมูลมรรคานความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวปฏิบัติในแคมเปญอันนี้เป็นรอไปนอกเราก็เป็นมิตรกับตัวเรามิตร ความรู้สึกตัวความความนี่จะให้มีความรู้สึกตัวชบชวยที่จะไม่ ใครจะเข้าใครจะออกลูกก็ได้ติดตาลูกก็ได้จะไปไหนมาไหนลูกสึกตัวหัตถ์ฉินหัตถ์จะไม่จําหน่าให้ จะเป็นชาติชั้นวรรณะอะไรมาจะทําอะไรมาไม่จะเป็นขอให้ เงินเลือดของเราเราชีวิตของเราต้องเพราะกับท่านทั้งหลายก็มากันให้กายมีใจมีความหลงประมาณกันมีความโกรธประมาณกันมีความทุกข์ประมาณกันเหมือนกันความโกรธประมาณกันความทุกข์ความหลงเหมือนกันแปลว่าเราจะเปลี่ยนมันตัวเองเลยไม่กลัวความหลงมาที่ไร้เพียงได้ทั้งที่อย่าให้ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ใน สรรสารในชีวิตหลอกมาชำเรื่องที่มันธรรมดาแล้วไม่ต้องรอตามสารของรู้สึกตัวไม่รอไม่เสร็จเสียไปทัน คำสอนพระเจ้าเป็นปัจจัตตังรู้ได้ทันทีถ้าทุกคนรู้ไปได้ไม่ใช่สัจธรรมแต่เจาะรู้ได้ สังคิธิโกภาริโกเอติปัจจิโกโออนัยโกปัจจัตตัง ให้อุ่นใจให้อบอุ่นใจขอให้ปล่อยใจอบอุ่นใจสิ่งที่เราทํามัน กรรมมูลกรรม แต่ตั้งแต่เราเดินตั้งแต่เราหายใจตั้งให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัว <c oughs> เรามานัดคน 2 คนบันดินหลังนี่ก็อยู่ได้ครับพอ นะเด้อเอาไปจาต้องมีไปจามาแจกกันเด้อเรา เนี่ยมาตั้งใจกันซินี่ทั้งทั้งอะไรกลัวมั้ยกลัว จะให้ตัวเราเองหรอกตัวเรา